นี่ท่านต้องยกให้ชัดเจนนิดหน่อยครับญาติโยมผมจะไม่ค่อยเข้าใจสมมุติว่าศีลนั้นมีกามเป็นอุ ป, ปาทานใช่ไหมครับเป็นที่ยึดถูกไหมครับเจนพานหมายความว่าเห็นคนอื่นเขารักษาศีลแล้วก็อยากจะรักษาศีลเพราะว่าด้วยเหตุผลในเรื่องของกาม คือสีที่ยังเป็นอารมณ์ของกิเลสเนี่ยนะเอาจรี้นะโลกิยะศีนั่นเองคือโลกิยะศีเนี่ยเป็นเป็นโลกิยาธรรมใช่ไหมครับเมื่อเขาเป็นโลกิยะธรรมเขาก็ยังเป็นอารมณ์ของกิเลสถ้าอย่างนั้นกล่าวได้เลยว่าขณะนี้เรารักษาศีเน่ยเป็นโลกิยะทั้งหมดละตราบใดที่ยังไม่ได้ได้มรรคจิตเจนทอนถ้าหากว่าอริยมรรคยังไม่เกิดก็นับว่าโลกิยะศีหมดเลยเพราะงั้นพวกนี้ก็โลกิยะหมดเจนทอน ยัง<ด>เป็นโลกิยะหม ด, ดแต่ว่าในศีลสองอย่างนั้น<ด>โลกิะยะศีลย่อมนําเป็นธรรมชาตินํามาซึ่งพบพิเศษเหมือนกันเถ อ, อะโลกิายาศีลย่อมนํามาซึ่งภาวะสมบัตินำนำมาซึ่งสมบัติคือพบเนี่ยนะทำให้เกิดในสุขติพเนี่ยนะไม่ต้องบินว่อนนะถ้ามีศีลเนี่ยไม่ต้องบินแบบนี้เลยที่ต้องบินแบบนี้แสดงว่าไม่ใช่ผลของศีลแน่นอนนะ หมืว่าชอบบินบางคนอยากมีปีกมาโอ้ยสมัยเด็กๆกับางคนเนี่ยนะฝ่ยฝันอยากจะเป็นพึ่งอยากเป็นอะไรไม่รู้อยากมีปีกอยากอะไรแต่จริงๆเนี่ยไม่ใช่ผลของบุญนะก็สรุปแล้วสรุปแล้วศีนที่เรารักษาอยู่ขณะเนี้ยทั้งหมดเนี่ยนะฮะเป็นโลกิยาศีลด้วยเหตุผลว่าศีนนี้เนี่ยยังไม่หนึ่งศีนนี้ไม่ได้เกิดร่วมกับโลกุตระจิตถูกไหมครับเ์ท่าประการที่หนึ่งแน่นอนนะ ประการที่สอง่ามันเป็นอารมณ์ของโลภะได้ยังไงอ่าเป็นอารมณ์ของโลภะหรือทิฏฐิได้ยังไงอ่านะยกตัวอย่างนะถ้าเป็นอารมณ์ของโลภะวันนี้เรารักษาศีลได้คนคนอื่นไม่รักษาใช่ไหมเอ้สู้เราไม่ได้อย่างไงเป็นอารมณ์ของโลภะใช่ไหมใช่ยอย่างนี้เข้าใจเลยเจนพานแล้วก็ทิฏฐิแล้วครับอ่าทิฏฐิก็เช่นว่าที่ถูก ป, ปาทานใช่ไหมจะบริสุทธิ์ได้ด้วยศีลอันนี้อ๋อเราอาจจะเข้าใจ ดไไปก็้ว่าความชั้นจะบริรสุทธิ์เพราะศีลอันนี้แหละ <c oughs> คือไม่ใช่ในลักษณะว่าเป็นอุปนิสัยนะเข้าใจว่าที่บริรสุทธิ์เพราะศีลอันนี้เลยคือเข้าใจผิดนะในในลักษณะตันหานิสัยกับทิฏฐินิสัยอะถ้าเป็นส่วนใหญ่นะแต่ตัวศีลจริงๆเนี่ยนะเจตนาที่เกิด ร, ร่วมกับศีลหรือเจตนาศีลเนี่ยนะเจตนาอันนั้นนําปฏิสนธิในกามสุขติภพเนี่ยนะโลกีศีลพวกนี้ถ้า เจตนาอันนี้ที่เป็นไปกับมหากุุสนนำมาซึ่งปฏิสนธินายมนุษย์และเทวดาอันนี้นิดเฉพาะเจตนาอันนั้นก่อนนะส่วนโลกยะศีลเป็นสัมภาระสัมภาระคือองค์ประกอบแห่งการสลัดออกจากภพตัวศีลจริงๆเนี่ยนะเจตนาที่เกิดร่วมกับศีลโดยนานทขะคณิกากรรมปัจจัยนั้นให้ผลเกิดในสุคติภพ แต่ว่าถ้าพูดโดยอุปนิสัยปจยัจจัยหรือปากตูปนิสยปจยัจจัยเขาเป็นปากตูเพื่อการสลัดออกจากภพเหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าพระ อ, องค์ตรัสไว้ในคำพีปริวาร น, นะคำพีปริวารฉบับรเราก็เรียกเล่มสิบในหัวข้อว่าด้วยจูลสงครามประโยชน์ของวินัยนี่นะกล่าวว่าวินัยนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์แก สังวรแบบ น, น, นั้นเถอะพระวินัยเนี่ยนะพระวินัยปิดดกเป็นต้นเนี่ยนะวินัยหรือสิกขาบทที่พระองค์ทรงบัญญัติไวน้นี่อ่าสิกขาบททั้งหลายเหล่านี้เนี่ยเพื่อประโยชน์แก่สังวร mm hmm. เพื่อประโยชน์แก่สังวรห้านะแต่ว่าเน้นก็คือเน้นศีลสังวรนีในหน้าสี่สิบสามนะ <c oughs> ต่อไปนะว่าวินัยนี้เพื่อประโยชน์แก่สังวรใช่ไหมสังวรเ น, นี่ยแปลว่าปิดไม่ละเมิดไม่ให้ละเมิด สังวรเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่อวิปติสารถ้าไม่ละเมิดรักษาไว้ได้ก็อวิปปิสารแปลว่าไม่เดือดร้อนใจเนี่ยนะถ้าทําได้ตามนั้นก็ไม่ร้อนใจวินัยเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นโลกิยะนะที่รักษาเริ่มต้นรักษาเนี่ยเป็นโลกิยะเพราะฉะนั้นสังวรเนี่ยเพื่อประโยชน์แก่อวิปติสารนะในหน้า4 3นะ่มนะมีอธิบายไว้ชัดเจนเลยอวิปติสารเพื่อประโยชน์แก่ ปร า, ราโมทคำว่าปราโมทนี Gente, ้เป็นชื่อของปีตินั่นแหละแต่ว่าปีติไม่มีกําลังปีติอ่อนๆนี่แหละเรียกว่าปราโมทปราโมทเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ปีติปีติที่มีกําลังชื่อว่าปีติปีติอ่อนกําลังชื่อว่าปราโมทปีติเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ปสสัต t h อันนี้สงบนะนะเพื่อความสงบปสสัต t h เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ สุขนะเพื่อประโยชน์แก่ความสุขนะถ้าสงบจริงก็ต้องมีความสุขความสุขนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่สมาธิสัมมาสมาธินะสมาธิเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ยถาภูตยาทัทสนะคาว่ายถาภูตยานัทสนะนั้นได้แก่การเห็นนามรูปพร้อมทั้งปัจจัยเรียกว่ายะถาภูตยานัทสนะ การเห็นรูปนามพร้อมทั้งปัจจัยหรือวิปัสนาอย่างอ่อนมีการเห็นนามรูปพร้อมทั้งปัจจัยเป็นที่ตั้งที่จริงแล้วถ้าหากว่าตามอุปนิสสูตรเนี่ยนะสังยุตติายนิธานวั์กล่าวถึงคำว่ายะถาภูตยานทัศนะเนี่ยอมความไปถึงอุทยพยาญาาอย่างอ่อนตั้งแต่กาหนดนามรูปจนถึงเห็นเหตุเกิดและความดับของ นามรูปอันนี้เรียกว่ายถาภูตยา น, นัทสนะส่วนพลวะวิปัสนาเนี่ยนะเห็นนามรูปที่มีกําลังไปจนถึงพวกนิพพิทายานเป็นต้นเรียกว่านิพพิทาเพราะฉะนั้นยถาภูตยานัทสนะเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่นิพพิทานิพพิทาก็คือหมายถึงวิปัสนาที่มีกําลังะนะแต่ยังไม่ถึงอรยิยมรรคอ่านิพพิธานี้เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่วิราคะ วิราคะเป็นชื่อของอริยมรรควิราคะเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่วิมุตต์นี่ก็คือผลวิมุตต์เนี่ยถ้าเอาสูงสุดเลยก็คืออรหัตผลวิมุตต์มันอันวิมุตต์เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่วิมุตติยานทัศนะคือปัจเจกขณะยานนะวิมุตติยานทัศน์หรือปัจเจกขณะยานเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่อนุปาถาปรินิพาน การดับไม่มีส่วนเหลือการดับโดยรอบคำพูดมีสิ่งนี้เป็นประโยชน์คำพูดนี่ก็คือกรถากรถาว่าด้วยวินัยเนี่ยนะมีสิ่งนี้เป็นประโยชน์การปรึกษาหรือการพิจารณาพระวินัยกันเนี่ยนะมีสิ่งนี้เป็นประโยชน์การเข้าไปนั่งใกล้หรืออุปนิสัยอุปนิสัยนี่ก็คือการเข้าไปนั่งใกล้นี่นะจากบาลีว่า อุปนิสสารนะอุปนิสสารเนี่ยแต่ทำไมก็แปลว่านั่งใกล้ก็ไม่ทราบเขาบอกว่าได้แก่อุปนิสัยปัจจัยนะการเข้าไปนั่งใกล้อันนี้หมายถึงอุปนิสัยปัจจัยกล่าวคือความสืบเนื่องกันแห่งเหตุตามที่กล่าวเนี่ยนะ อ, อ, อุปนิสสารหรืออุปนิสัยอันนี้มีสิ่งนี้เป็นประโยชน์การเงี่ยโสดลงสดับมีสิ่งนี้เป็นประโยชน์สิ่งนี้อันใดเล่าสิ่งนี้คือ ความหลุดพ้นแห่งจิตเพราะไม่ยึดมั่นนะถามว่าที่ทำทั้งหมดเพื่ออะไรเพื่ออรหัตผลละจิตว่างั้นเถอะจิตที่ไม่ถือมั่นจริงๆคืออรหัตผลละจิตเพราะฉะนั้นโลกุตรศีนเป็นธรรมชาตินํามาซึ่งการสลัดออกจากภพและเป็นภูมิแห่งปัจเวกขนายานแต่แต่ว่าโลกุตรศีนั้นอาศัยอะไรเป็นปัจจัยให้อาศัย โลกิยศีลเป็นสัมภาระให้นะถ้าหากว่าโหสัมภาระคือโลกิยศีลเป็นต้นเหล่านี้ไม่มีนะ <Okay. S 1> โลกุตระก็โไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสอานะแล้วก็สามารถดูได้นะในสูตรสี่ห้าสูตรแรกในทศกานิบาตฉบับเราเล่มสาสิบแปดเนี่ยดูได้เลยเอัอนะอธิบายแนวเดียวกันหมดเลยทั้ง พระสูตรที่พระสารีบุตรแสดงพระสูตรที่พระอนนท์แสดงพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเนี่ยแนวเดียวกันหมดแล้วก็อันนี้เป็นข้อความคัดมาจากคำภีร์ปริวานเฉพาะที่ที่เห็นในวิสุทธิมักเนี่ยนะคัดมาจากคำภีร์ปริวานเล่มสิเรื่อยในหัวข้อว่าจุลสงครามประโยชน์แห่งพระวินยัยในหัวข้อนั้นกล่าวไว้ทั้งหมดที่กล่าวไปนั้นคือทุกะเนี่ยนะทุกะคือหมวดสอง หมวด2แห่งศีลคือศีลเนี่ยสามารถจำแนกเป็น1ก็ได้เป็น2ก็ได้เป็น3ก็ได้เป็น4ีก็ได้เป็น5ก็ได้แต่ที่จัดเป็นทุกกะเข า, าเรียกว่าหมวด2มีอยู่ด้วยกัน7ทุกกะ7ทุกกะทุกกะที่1คือจารีตศีลกับวาเรตศีลทุกกะที่2คืออภิสมาจาริกศีลกับอธิพรหมจาริกศีลทุกกะที่3มคือ วิรติสีนกับอวิรติศีนทุกขาที่4คือนิสิตาศีนกับอนิสิตาสีลทุกขาที่หคือกาลปริยันต์ศีนกับอาปาณโกติกศีนทุกขาที่6คือสปริยันตศีนกับอปริยันตศีลทุกขาที่7ก็คือ โลกิยาศีลและโลกุตระศีลโลกิยเป็นไปเพื่อโลกุตระเพราะฉะนั้นทุกกะแปลว่าหมวด2ทุกกะหมวด2แสดงอยู่7ครั้งเท่ากับ14สีศีลเนี่ยนะโอ้มาจำแนกเป็นศีล14แต่ว่าพูดเป็นทุกะเป็นเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มหมวด2เนี่ยนะอมันมาแล้วอันน่ะขึ้นติกะเลยเนาะขึ้นหมวด3เลยศีลหมวด3าม คำติกาก็คือศีลหมวด3ศีลทั้งหลายในติกะแรกมีวินิจฉัยดังนี้ศีลจัดว่ามีสามอย่างโดยเกี่ยวกับหินศีลอย่างเลวห ง, งนั้นหินแปลว่าเลวมัชชิมศีลและปณีตศีลอย่างนี้คือศีลที่บุคคลทําให้เป็นไปด้วยอํานาจฉันทะด้วยจิตตะด้วยวิริยะหรือด้วยวิมังสาที่เป็นไปอย่างเลวชื่อว่าศีลอย่างเลว ต่ำต้อยมากก็คืออธิบดีไม่มีกำลังอ่ะนะชันทะก็โอยทำไปก็ไม่ได้พอใจนะสักแต่ว่าทำๆไปอย่างนั้นแหละวิริยะก็อ่อนกำลังปัญญาก็ยิ่งไม่ค่อยมีด้วยนะเพราะในศีลที่รักษาไปสังกาตายเป็นวันลักษณะนี้แหละเรียกว่าศีลอย่างเลวอย่างตกต่ำมากมาก ที่ทำให้เป็นไปด้วยอำนาจฉันทะเป็นต้นอย่างกลางมีฉันทะพอประมาณมีจิตตะพอประมาณมีวิริยะพอประมาณมีปัญญาพอประมาณอย่างนี้ชื่อว่ามัชชิมาศีลเอาอธิบดีมาเป็นเครื่องอธิบายนะถ้าหากว่าอธิบดีอ่อนกำลังมากศีนั้นก็เป็นศีนอย่างเลวถ้าอธิบดีปานกลางก็นับว่าเป็นศีนอย่างมัชชิมะที่ทาให้เป็นไปด้วยฉันทะเป็นต้น ที่อย่างประนีตอย่างดีเลยอย่างนี้ชื่อว่าปรณีตศีลเพราะฉะนั้นศีลอย่างนี้เขาเอาอธิบดีมาที่บายเนี่ยนะศีลอย่างเลวอย่างปานกลางแล้วก็อย่างประนีตอันนี้อย่างเลวอย่างกลางอย่างประนีตในยะที่หนึ่งอ่าในยะที่สองอีกว่าอีกอย่างหนึ่งศีนที่บุคคลสมทานเพราะความปรารถนายศเชื่อว่าศีลอย่างเลว ก็คือด้วยความยินดียิ่งในเกียรติและความสรรเสริญด้วยความปรารถนาบริวารเนี่ยนะก็บอกโอ้จะได้ไปที่ไหนจะได้มีเกียรตินะอยากให้คนอื่นเขารู้เราอ่ะนะอยากให้คนอื่นเขายกย่องเลยสมาทานศีลนะ่ยฉันก็มีศีลนะไปที่ไหนก็เลยอยากให้เขายกย่องเขาชมว่าเราคนดี อ, ะอ่ะศีลแบบที่ปรารถนาแบบนี้แหละเรียกว่าศีลอย่างเลวอย่างโอ้ยมีกำลังน้อยมากว่านั้นแถามว่าศีลเนี่ยดีไหมดี แต่ว่าไอตั้งความปรารถนาไว้ไม่ดีแก้ไขที่ความปรารถนานะอย่าไปแก้ที่ศีลแก้ที่ความปรารถนาถ้าตั้งความปรารถนาซะโอ้โหกลายเป็นของดีไปเลยเห็นไหมศีลที่บุคคลสมทานเพราะความปรารถนาผลแห่งบุญชื่อว่ามัชชีมศีลปานกลางนะโอศีลอันนี้เนี่ยศีเลนะสุขติงยันติเป็นต้นโอ้อยากได้ผลอันนั้นเลิศเกินเห็นไหมเขามีรูปสวยรูปงามเป็นต้นเพราะเขามีศีล น, นะนะจะเอามั่ง ลักษณะนี้แหะก็เรียกว่ามัชิมศสลศนสนอย่างกลางสีนปรารถนาผลแห่งบุญแบบนั้นเถอะอย่างกลางนะสีนที่บุคคลสมทานอาศัยอริยภาวะสิ่งนี้เราควร ท, ทําทีเดียวดังนี้ชื่อว่าปณีตสินคำว่าอริยภาวะคือภาวะที่ประเสริฐภาวะที่ดีเพราะว่าเขาเนี่ยเกลียดความชั่วสีนที่บุคคลเนี่ยรังเกียจบาปมาก โดยอัธยาศัยของเขาเขาเป็นคนรังเกียจบาปเขาคิดว่าคนเช่นเราจะพึงทำบาปกรรมเช่นนั้นได้อย่างไรโอ้ยทาชั่วแบบนั้นไม่ได้หรอกอ น, นทาทาศีลในลักษณะนี้เรียกว่าปณีตศีลคนที่รักษาศีลเพราะรังเกียจความชั่วอันนี้ชื่อว่าปณีตศีลอันนี้ในที่สองศีลอย่างเลวอย่างกลางอย่างประนีตในที่สองอนะส่วนอีกในหนึ่งนี่ในที่สาม กล่าวว่าศีนที่เศร้าหมองเพราะเหตุทั้งหลายมีการยกตนข่มผู้อื่นอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีนแต่ภิกษุเหล่าอื่นนี้เป็นคนทุศีนมีธรรมะลามกดังนี้เป็นต้นชื่อว่าศีนอย่างเลว น, นะรักษาศีนเสร็จแล้วก็ยกตนข่มคนอื่นเขาคนอื่นนี้ไม่ดีเท่าเราอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าศีนอย่างเลว โลกิยศีลที่ไม่เศร้ามองชื่อว่ามัชชิมะคือไม่ได้ศีลที่สมมาทานรักษาแล้วก็ไม่ยกตนข่มใครเห็นไหมไม่เศร้ามองด้วยอุปกิเลสแต่ก็ยินดีในในเท่านั้นแหละเออเอาไว้แค่นี้นะโอ้รักษาศีลนี่ก็ดีละแต่ก็ไม่คิดจะยกตนข่มใครไม่อะไรสักอย่างส่วนโลกุตระศีลชื่อว่าปณีตศีลศีลอย่างประณีต ในหัวข้อที่ว่าเราเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลแต่พิสุเหล่านี้เนี่ยนะเป็นคนทู่ศีลเป็นมีธรรมะอัลามกนี้ก็คืออาศัยศีลของตัวเนี่ยนะที่มีอยู่แล้วก็ยกตนข่มคนอื่นเขาว่าคนอื่นเนี่ยไม่ดีเท่าเราอันนี้นับว่าศีลอย่างเลวเนะเพราะฉะนั้นศีลอย่างเลวอันนี้ข้อความอันนี้เป็นพุทธพจน์นะพุทธพจน์ที่ว่าเราเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลแต่พิสุเหล่าพิกษุอื่นเหล่านี้เป็นคน โชสินมีธรรมะไม่ดีมีธรรม ะ, มมรรมะเลวมากว่างั้นชั่วมากขนาดสินยังรักษาไม่ได้อ่มุ่งตาหนิติเตียนคนอื่นแบบนี้มากๆอันนี้เรียกว่าศีลอย่างเลวข้อความอันนี้ท่านคัดมาจากข้อความในมหาสารโรปมสูตรทสูรที่อุปมาว่าด้วยไม้แก่นเพราะฉะนั้นเป็นข้อความที่เราควรได้ยินได้ฟังเพื่อไว้ประกอบ การศึกษาในครั้งต่อๆไปด้วยว่าในพระสูตรนี้สมัยหนึ่งเนี่ยนะที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่นะเขาคิจกูดกรุงราชเครืึ้เมื่อพระเทวทัตหลีกไปไม่นานคือพระเทวทัตเนี่ยหลังจากที่ขอพรหประการจากพระผู้มีพระภาคก็หลีกไปใช่ไหมพระผู้มีพระภาคก็ทรงปรารพระเทวทัตรตรัสเรียกพิสูจทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าดูกวามพิสูจนทั้งหลาย ก, กุลบุตรบางคนในโลกนี้ออกจากเรือนไม่มีเรือนบวช ด, ด้วยศรัทธาด้วยคิดว่าอ่ะนะคือลักษณะของคนที่บวช ด, ด้วยศรัทธานี่เขาเขาคิดยังไงเขาจึงบวชคือเขาคิดว่าเราเป็นผู้ถูกชาติชรามรณ์โสกกะเปริ เ, เทวะทุกขโทมณตปุปายาตครอบงาถูกความทุบถูกความทุกข์ท่วมทับแล้ว มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าฉไหนความกระทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งมวล น, นี้จะพึงปรากฏว่างั้นเถอะก็คือโอชีวิตของเรานี้มีแต่ทุกข์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าน่ะนะทุกข์นี่หยางลงวะเพราะฉะนั้นเขาก็เอบวชเพราะจะทําที่สุดแห่งกองทุกข์ว่างั้นเถอะเขาบวชอย่างนี้แล้วยังลาบสาการะและความสารเสริญให้บังเกิดขึ้นพะบวชเข้ามาแล้วก็มีชื่อเสียงคนนับหน้าถือตาโอ้ยสาการะปัจจัยสี่มากมาย เขามีความยินดีมีความด âm ฤกเต็มเปี่ยมด้วยลาบสการะและความสารเสริญ น, นั้นเพราะลาบสการะและความสารเสริญอันนั้นเขาย่อมยกตนข่มผู้อื่นว่าเรามีลาบสการะและความสารเสริญส่วนภิกษุอื่นนอกนี้ไม่ปรากฏมีสักดาน้อยโอ้ยไปถามหาชื่อก็ไม่มีใครรู้จักอะ น, นะแต่คนโน้นจีโอถามหาใครใครก็รู้จักทั้งนั้นเพราะว่าลาบสการะมาก เขาย่อมมัวเมาถึงความประมาทเพราะลาบและสการะความสารเสริญนั้นเมื่อเป็นผู้ประมาทแล้วย่อมอยู่เป็นทุกข์ดูก่อนที่ส่ทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีความต้องการไม้แก่นไม้อยู่นะต้องการไม้แก่นหรือต้องการแก่นไม้เนี่ยนะเมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นยืนต้นอยู่ละเลยแก่นละเลยกะพี้ละเลยเปลือกละเลยเสะเก็ดไปเสียตัดเอากิ่งและใบถือไป สำคัญว่าแก่นบุรุษผู้มีจักสุเห็นเขาผู้นั้นแล้วพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญนี้ไม่รู้จักแก่นไม้ไม่รู้จักกระพีไม่รู้จกกักเปลือกไม่รู้จักสะเก็ดไม่รู้จกกั ط, จกกิ่งและใบ จ, จริงอย่างนั้นบุรุษผู้เจริญนี้มีความต้องการแก่นไม้สแสวงหาแก่นไม้เที่ยวเสาะหาแก่นไม้อยู่เมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่ละเลยกระพีละเลยเปลือกละเลยสะเก็ดไปเสียตัดเอากิ่งและใบ ถือไปสำคัญว่าแก่นและกิจที่จะพึงทำด้วยไม้แก่นของเขาจากไม่สำเร็จประโยชน์แกเขาอยากได้แก่นไม้ไปตัดเอากิ่งและใบยมาอย่างเงี้ยนะชั้นใะดกุลบุตรบางคนในโลกนี้ก็ชั้นนั้นเหมือนกันออกจากเรือนไม่มีเรือนบวช ด, ด้วยศรัทธาคิดว่าเราเป็นผู้ถูกชาติชรามรณะโซกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาดครอบงามแล้วถูกความทุกข ท่วทับแล้วมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าชะนาย น, นาะความกระทําที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้จะพึงปรากฏได้เขาบวชอย่างนี้แล้วยังลาบสการะและความสารเสริญให้บังเกิดขึ้นเขามีความยินดีมีความดําริเต็มเปี่ยมด้วยลาบสการะและความสารเสริญอันนั้นอันนั้นก็เรียกว่าบวชเข้ามาแล้วเนี่ยได้ลาบสการะและสารเสริญก็หยุดชะงักเลยนะถูกสกัดจุดแล้วองนั้น เพราะลาบและสการะและความสารเสริญอันนั้นเขาก็ย่อมยกตนข่มผู้อื่นว่าเรามีลาบสการะและความสารเสริญส่วนพิษุอื่นนอกนี้ไม่ปรากฏคือมีคนรู้จักน้อยมีศักดามีเดชน้อยเขาย่อมมัวเมาถึงความประมาทเพราะลาบสการะและความสารเสริญ น, นั้น เมื่อเป็นผู้ประมาทแล้วย่อมอยู่เป็นทุกข์ดูก่อนพิสูนทั้งหลายพิสษุนนี้เราเรียกว่าได้ถือเอากิ่งและใบของพรหมจรรย์ถึงที่สุดแค่กิ่งและใบนั้นเห็นไะอันนั้นในพระพุทธศาสนาลาบสักการะเหมือนกับกิ่งใบเท่านั้นเองนะ โดยการพิสุจทั้งหลายกุลบุตรบางคนในโลกนี้ออกจากเรือนไม่มีเรือนบวช ด, ด้วยศรัทธาคิดว่าเราเป็นผู้ถูกชาติชรามรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตครอบงามแล้วถูกความทุกท่วมทับแล้วมีความทุกเป็นเบื้องหน้าฉนัยนอความกระทำที่สุดแห่งทุกทั้งมวล น, นี้จักพึงปรากฏเขาบวชอย่างนี้แล้วยังมีลาบสการะและความสารเสริญให้บังเกิดขึ้นเขาไม่ยิน ไม่มีความยินดีมีความด âm ฤตยังไม่เต็มเปี่ยมด้วยลาบสการะและความสารเสริญนั้นเขาไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะลาบสการะและความสารเสริญอันนั้นเขาย่อมไม่มัวเมาไม่ถึงความประมาทเพราะลาบสการะและความสารเสริญนั้นเมื่อเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วย่อมยังความถึงพร้อมแห่งศีลให้สาเร็จคือรักษาศีลได้ เขามีความยินดีมีความดําริเต็มเปี่ยมด้วยความถึงพร้อมแห่งศีนนั้นพอมาเจอระดับศีนเข้าก็เลยหยุดอยู่เลยเพราะความถึงพร้อมแห่งศีนนั้นเขาย่อมยกตนข่มผู้อื่นว่าเรามีศีนมีกาลยานธรรมส่วนภิกษุอื่นนอกนี้เป็นผู้ทุศีลมีบาปประธรรมใช่ไหยคนอื่นเนี่ยลามกมีศีนไม่ดีเรานี่มีศีลดี เขาย่อมมัวเมาถึงความประมาทเพราะความถึงพร้อมแห่งศีลนั้นเมื่อเป็นผู้ประมาทแล้วย่อมอยู่เป็นทุกข์ดูกวิสูุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีความต้องการด้วยไม้แก่นสแสวงหาแก่นไม้เที่ยวเสาะหาแก่นไมอ้อยู่เมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่ละเลยแก่นละเลยกับพี่ละเลยเปลือกไปเสียถากเอาสะเก็ดถือไปสำคัญว่าแก่น บุรุษผู้มีจักสุเห็นเขาผู้นั้นแล้วพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญไม่รู้จักแก่นไม้ไม่รู้จักกระพี้ไม่รู้จกกัจกเปลือกไม่รู้จักสะเก็ดไม่รู้จักกิ่งและใบจริงอย่างนั้นบุรุษผู้เจริญนี่มีความต้องการแก่นไม้สแสวงหาแก่นไม้เที่ยวเสาะหาแก่นไม้อยู่เมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่ละเลยแก่นละเลยกระพี้ละเลยเปลือกไปเสียถากเอาสะเก็ดไปสำคัญว่า แก่นและกิจที่พึงทำด้วยไม้แก่นของเขาด้วยแก่นไม้ของเขาก็ไม่สำเร็จประโยชน์แกเขาชันใดกุลบุตรบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันออกจากเรือนไม่มีเรือนบวช ด, ด้วยศรัทธาด้วยคิดว่าเราเป็นผู้ถูกชาติชรามารณโสกับปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตครอบงามแล้วถูกความทุกข์ท่วมทับแล้วมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้า ฉนัยนอความกระทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งมวลนี้จะพึงปรากฏได้เขาบวชอย่างนี้แล้วยังลาบสการะและความสารเสิญให้บังเกิดขึ้นเขาไม่มีความยินดีมีความด â รฤตยังไม่เต็มเปี่ยมด้วยลาบสการะและความสารเสิญนั้นเขาไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะลาบสการะและความสารเสิญอันนั้นเขาย่อมไม่มัวเมาไม่ถึงความประมาทเพราะลาบสการะและความสารเสิญนั้น เมื่อเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วย่อมยังความถึงพร้อมแห่งศีลให้สำเร็จเขามีความด้ำริกเต็มเปี่ยมด้วยความถึงพร้อมแห่งศีลนั้นเพราะความถึงพร้อมแห่งศีลอันนั้นเขาย่อมยกตนข่มผู้อื่นว่าเรามีศีลมีกัลยาณธรรมส่วนพิกษุอื่นนอกนี้เป็นผู้ทุศีลมีบาปธรรมเขาย่อมมัวเมาถึงความประมาทเพราะความถึงพร้อมแห่งศีลนั้นเมื่อเป็นผู้ประมาทแล้วย่อมอยู่เป็นทุกข์ ดูการพิสูจนทั้งหลายพิกษุนี้เราเรียกว่าได้ถือเอาสเก็ตของพรหมจรรย์ถึงที่สุดแค่สเก็ตหลังนั้นเถอะถ้ายินดีแค่ศีลแล้วเอาศีลเป็นเครื่องยกตนข่มคนอื่นเป็นต้นเนี่ยนะก็ถึงแค่สเก็ตใช่ไหมยินดีอยู่แค่นั้นเพราะฉะนั้นศีลแบบนี้เรียกว่าศีลอย่างอย่างไหน อ, งนะ น, น, น, นอย่างเลวนะในบรรดาในศีลอย่างเลวอย่างกลางและอย่างปนีด น, นะเรียกว่าศีลอย่างเลวในหน้า45ที่เราอธิบายไป อันนี้เป็นข้อความในมาหาสารโรปรมัสูตรคัมพีมัชฌิมนิกายมูลปัญธาสันปกเล่มสิบแปดนะในฉบับเก้าสิบเอ็ดเล่มก็สมควรกับเวลานะ